โอตัสภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการฟังธรรมนี้ให้มีสติ ความละลึกได้อยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดไปในอารมณ์ใดๆทั้งหมดเราตั้งใจฟังธรรมให้สมกว่ากพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสุสูสังและพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังอย่างไร จึงเชื่อว่าฟังด้วยดีเมื่อฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติให้ได้ให้ถึงให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรกว่าฟังด้วยดี เคารพในพระธรรมย่อมได้ปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่การได้ยินได้ฟังเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเกิดขึ้นจากความสงบตายวาจาจิต รวมแล้วจึงชื่อว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามีปัญญาแก้ปัญหาในจิตใจของตนได้ทุกอย่างทุกประการจนไม่มีอะไรติดขัดคือว่าฟังด้วยดีฟังแล้วปฏิบัติตามฟังแล้วละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไป ชื่อว่าฟังด้วยดีอันการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของยากอะไรทั้งหมดถ้าเราไม่ตั้งใจทำมันยากไปหมดถ้าตั้งใจฟัง ตั้งใจฝึกก็คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิเพตนั้นก็คือว่าเก็บกาย ให้โยในผ้าเรียบร้อยไม่ให้นั่งตามกิเลสในใจชอบเรียก ว, ว่าขัดสมาดขัดสมาเดเพชดแสดงความองค์อาจกล้าหานในทางรูปประขันก็ต้องมีท่านั่งขัดสมาดสันตสมาดสมาธิ จิตใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในใจิตในใจนี้มีความองค์อาจกล้าหารตามลูกประขันที่นั่งขาดสมาธิเพชนั่นด้วยดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสสู่เป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิเพ็รผหนหลังให้ต้นไม้โถเห็นหน้าผินพระพักไปทิศตะวันออก พระองค์ตั้งสัตธิฐานลงไปในจิตใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาจะไม่ท้อแท้ออนแอร์เหมือนแต่ก่อนแล้ ว, ว่าจะเอาให้เด็ดขาดลงไปเลยถ้ากิเลสไม่ขาดกิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่ออก ่ะไม่ลบไปมาในที่ใดๆไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างเดียวถ้าปัญญาญาณไม่เกิดขึ้นก็นั่งตาย นำใจของพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> มีความแน่วแน่เด็ดขาดขนาดไหนสละชีวิตลงไปแลกเอาพระโพธิญาณเอาความตรลัดสรู้แล้วนำประทยใจพระพุทธเจ้า ไม่มีกลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวมึนสานั่นแหละคือใจละใจพระพุทธเจ้ามีความสา ม, มารถมีความอาจหานมีความตั้งใจจริง เมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงก็คือฟังด้วยดีนะ ส, สุสังละพระเตปัญญาฟังด้วยดีแต่ไม่ได้หมายบุคคลผู้อื่นมาเทศนาให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์เองเป็นผู้ยกจิตยกใจขึ้นมามีสติเต็มที่ เราเลิกได้ทุกเวลาในมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ละเลิกรวมจิตใจลงไปที่นี้ฟังดูตั้งใจมีสติ จนเป็นสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตถัคือว่าไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นสติความระลึกได้จนเป็นมหาสติคำว่ามหาสติมหาแปลว่าใหญ่ ตายวาจาจิตของพระองค์จะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจะตรับจะพูดจาปลาัยอะไรก็เรียกว่าเป็นมหาสติย่อมไม่มีการผิดพลาดไกลกองฟังด้วยดีแล้วทั้งนั้น เราทุกคอนทุกหลวงใจจะให้ตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปอย่ามาเสียดายตายอยากกิเลสในโลกอันนี้กิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหามันพาให้มาเกิดมาแจมาเจ็บมาไขา้มาตาย ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสมันหมดไปสิ้นไปมันคล้องมันติดอยู่ในจิตใจนั้นตลอดกาลธรรมดากิเลสเมื่อไม่เลิกไม่ละไม่ตดไม่ปล่อยไม่ตัดนมันขาด มันก็ต่อเนื่องอยู่ในจิตนันขณะใดเวลาใดเล่งความเพียรลงไปภาวนาลงไปก็สงบระ ง, งับได้เวลาสงบระ ง, งับได้เหมือนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดไปสิ้นไปแต่เน่เมื่อถอยความเพียรเจ็ดใจอ่อนแอทอดแท้ ความเจ็บปวดทุกขเวทนาก็เกิดมีขึ้นในจิตใจนะอารมณ์สัญญาจิเลตตันหามันก็ฟูขึ้นมาพาให้หลงต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีพระองค์จึงส่องตรัสว่า ตั้งใจภาวนากำหนดตายให้ได้ทุกลมหายใจอะไรทั้งหมดมันไม่เลยตายก็มันไปแค่ตายนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะโรคอะไรก็ตามมันก็ไปถึงแค่ตายนะเกิดมาชาติหนึ่งมันก็ตายหนเดียวเท่านั้น ไม่มีสองครั้งสามครั้งเปกลัวมันทำไมนั่งสมาธิภาวานาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นตัวปัจจุบันธรรมทำที่เป็นปัจจุบันตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ ไม่มีปัญหาเดวเจตใจให้ตั้งมั่นผ่องใสใจมีปัญญาใจมีความนึกความเจริญอยู่ง่ลุ่มหลงมัวเมาในที่ทางปวเกเดวะทำความเพียร เพียรพยายามอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอทอดแท้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจหมดทางร่างกายเนี่ยเพราะว่าใจมันอยู่เต็มในร่างกายถ้ามันทอดแท้อ่อนแอยางเนี่ยมันหลงไปหมด มานณะเมภาวิสติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็คือว่าลอวันตายอยู่เดียวกันทุกคนมนุษย์คนเราคือว่ารอท่าวันตายก่อนชีวิตจะแตกดับตายจะต้องละกิเลส ความโกรธความโลภความหลงในหัวใจเนะี่ยมันหมดใสสะอาดต้องภาวนาทําใจให้มันกล้าหาญขึ้นมาไม่ให้มันเห็นความสกขความสะดวกสบายในนิดหนหน่อ ย, อยตามอำนาจกิเลสบงการยกจิตใจให้มันมีพะละกำลัง อันสามะธาตุนานภาละทั้งห้าศรัทธาภละเชื่อิรื่อยะภละภาพเยนสติภละมีสติมีมหาสติมีมหาสติปฐานสี่เราลึกโยนในกายเวทนาจิตธรรมไม่ให้มันไปทางอื่น รวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปสมาธิคือว่ามั่นคงตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่ว่าอะไรเข้ามารู้ออกไปรู้ โลกายู้จิต้ลูลกู้นามโ ล, โ ล, โลไม่ต้องไปยึดถือู้ ล, ละทิ้งที่แตันหาทั้งหลายแหละไม่ต้องเอามาไว้ละทิ้งให้หมดใสสะอาดในจิตใจนี้แกนในดวงจิตดวงใจอันนี้แล้ววะ เห็นแจ้งเห็นจริงแจ้งใสหมดจดสะอาดแล้วว่าเกิดยามเกิดปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดยาอยังรู้ยังเห็นใมันทองแท้แน่นอนมันมีลาดแก้วของกิเลสอยู่ที่ไหน หอนลากแก้วมันออกไปจะมาหลงยึดนหน้าของเราตาของเราตัวของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นอะไรเป็นแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายเลยยึดถือธรรมะ เจตุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดถือแล้วได้อะไรตายแล้วมันได้อะไรแบกบหามอะไรไปกำหนดให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงอ่อนแอทอดแท้ได้หนระื ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินมีนความหนักแน่นขนาดไหนเจตผู้ภาวนาทำความเพียรละอีเลอ ย, ยาได้วันไหวสันสะเทือนใดๆทางนั้น นั่งก็ภาวน า, น า, วนาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนศีห์หะใจญาภาวนาแล้วภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเดี๋ยวเนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าใจออก จนความหวาดสะด็จงความกลัวภัยกลัวตายอะไรทั้งหมดมันหมดไปสิ้นไปมันแน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงจิตไม่ต้องไปหาที่อื่นเมทุดวงจิตนี่แหละรวมกำลังทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ให้มันแสสายลุ่มหลงไปภายนอก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนกเตือนจิตนี้ให้รู้สึกตัวอยู่ทุกเวลาลมเข้าไปูตดลมเข้าไปเติดขัดเมื่อได้ตายลมออกมา ขัดเมื่อใดโสดไม่เข้าไปไม่ได้ก็ตายยาได้ประมาทรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตัวเองดวงจิตดวงใจผู้รู้โยเห็นโยมีโยเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้อยู่กองไหนก็รวมจิตใจลงไปกรงนั้น ไม่มีใครจะไปละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้บุคคลผู้อื่นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ตรักผู้ชี้แจงแสดงเหตุผลต้นปลายให้สาวกทั้งหลายนำไปภาวนาทำความเทียนละกิเลส ลาคะโทสาโมหะของตัวเองให้หมดสิ้นไปไม่ใช่เราจะถาคตไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจิตใจยังไม่หมดกิเลสเป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิน้นอย่าไปหวังว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสนฮะ เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะพบชาติต่างๆนี่มันเป็นความหลงความไม่รู้ในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจึงได้มายึดตัวยึดตนยึดลูกยึดนามยึดหน้ายึดตายึดชาติยึดตระกูลไม่ปล่อยวางตัวอุปทานต่อไปให้หมดสิน้น จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงใจอันนี้ให้มีกำลังให้มีความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจนี้สิ่งใดที่เร้วละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ในจิตใจนั้นไม่ให้มี พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายทันละได้วางได้ปล่อยได้ถอนออกไปได้เจตใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจก็ต้องให้เลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์เก่าตั้งจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ต่อเนื่องไปเลย รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ถ้าอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเล่ใจโลเล่ทำอะไรโลเล่ไม่แน่แน่มั่นคงเด็ดขาดท่านเลิกละได้แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากิเลสโลเล่ท่านละได้เด็ดขาด เราทุกขนทุกดวงใจละให้ได้ตาเห็นโลกก็ไม่ต้องโลเลมีโลกที่ไหนมันก็ตายเน่าเปื่อยผุพังเหมือนกันหมดมีเสียงที่ไหนเสียงก็ต้องแตกต้องตายกลิ่นรดพอตภะธรรมอารมณ์อันใดก็ตาม มันก็ตอกกลองโซวความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนเป็นทุกข์เป็นอนาตตาทั้งนั้นเจดโลเลละทิ่งทำอะไรทำมันเด็ดขาดลงไปทำมันแจมแจ้งในจิตใจของตัวเอง อย่ามาหลงข้่องอยู่ติดอยู่เจ้าโทสะจริตใครทำอะไรไม่ถูกใจขัดเคืองโทสะละทิ้งให้หมดเก็บไว้ทาไมาอย่ามาใช้โทสะจริตฆ่ามันตายละให้มันหมด ถ้ามันหมดออกจากจิตใจมันจะไปที่ไหนช่างมันกิเลสความโกรธเจ้าโทสะละทิ้งเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้มันเด็ดขาดลงไปในใจจึงเชื่อว่าเป็นผู้ภาวานาทำความเพียนละกิเลสใจเลาะและใจวันไหวสั่นสะเทือนมันตัดขาดอะไรได้ไม่มี ยกจิตใจขึ้นมาสติสัมปชัญญะสติวีันรักษาพระวีันด้วยสติสติปัฏฐานถานตั้งตายตั้งจิตมีสติเตือนจิตนี่อยู่ไม่ให้มันมายึดมาถือไม่เป็นทุกข์เป็นร้นอนกับธาตขันธ์อาญตนะทั้งหลาย โลภนามเป็นเรื่องของขันจิตอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปจิตใจให้แน่วแน่มั่นงคงให้จิตใจอาจหานกล้าสามารถตัดบวงหวงอะไรอดีตอนาคตให้หมอดสิ้นไป ตั้งสติให้ดีทำสมาธิในจิตให้มัน่นคงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันเจงแจ้งในจิตนะเนยวไม่ต้องให้ขาดสติ สติคือความระลึกได้ความระลึกได้ใครเป็นผู้ระลึกก็เจ็ดดวงทีู่้อยู่นี่ระลึกจึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธบ้างเพื่อให้เกิดสติ <c oughs> เกิดสมาธิเกิดปัญญา เกิดพลังงานเกิดความสามารถอาานขึ้นมาในจิตใจนี้จิตใจทาะจิตใจท่อแท่อ่อนแอจะไม่ได้มีมีแต่จิตใจอันตั้งมันม่นมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวใจอ่อนแอท่อแท่มาให้มี ใจมืดไห่มีใจแจ้งใสมองเห็นทุกอย่างในร่างกายสังขารนี้เนี่ยททำใจให้แจ้งทำใจให้ใสททำใจให้สะอาดใจดวงเดียวนั่นแหละรักษ <c oughs> าชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปดชิ้นสิบสองรอยยี่สิบเจ็ด เจ็ดใจดวงเดียวนี่แหละภาวนาทําความเปลี่ยนจนถึงขั้นละกิเลสตัดกิเลสได้ก็ใจดวงเดียวนั่นปัญญาวิชาความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็เจดใจดวงเดียวเนี่ยไปโลเลหาที่ไหน รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้ตลอดเวลาใจโลเลไม่ให้มีใจแน่วแน่เด็ดขาดยึดไปทำไม ห, หน้าตาตัวตนสัตว์บุคคล มันเย็ดมันถือแล้วมันถือไปได้แค่ไหน <c oughs> เขาตายกันทั้งโลกไม่เห็นหรืออีกไม่กี่สิบปีข้างหนะ้าตัวเราของเราจะต้องตายของเราที่ไหนในโลกนี้ ในโลกนี้เราเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของใครดูเวลาเกิดมาได้หนังหุ้มกระดูกมาเท่านั้นมาแสวงหาเอาใหม่แต่นี่เมื่อถึงวันตาย หนังหุ้มกระดูกกระดูกสามรอยท่อนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้อีกทับถมแผ่นดินมีใครหาเปาวปองกระดูกไปด้วยตายหมดลมหายใจที่ไหนก็ทิ้งไว้นั้นไม่เห็นหรือรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจ ตั้งให้มัน่นเอาให้มันเจงในหัวใจพุทธโธอะไรเป็นพุทธโธพุทธโธพุทธะจิตอย่าได้หลงภาวานาอยู่ทุกลมหายใจเขา้าออก เก็ปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นไม่ให้มันหลงไปสบายก็ไม่ให้มันหลงไม่สบายก็ไม่ให้หลงนีว่าลู่จักลู่แจ้งลู่จิงลู่อยู่ลู่ละลู่ถอนลู่ปล่อยลู่วางลู่ไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วก็ลู่แจ้งแทงตลอด ตลอดไปเลยเรื่องภายนอกเรื่องไม่เข้าถ่าอย่าไปคิดนึกปรุงแต่งเอาจิตดวงนี้ให้สงบประนับตั้งมั่นลงไปคนอื่นเขาแก่ให้เห็นก็ไม่ดูคนอื่นเขาเจ็บให้ดูดูก็ไม่ดู เมื่อถึงเวลาตัวเองเจ็บป่วยเอาละวุ่นวายกลัวตายเพราะไม่ดูกายดูจิตอันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นจะมายึดมาถืออะไรอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายอนิจจาอนิจจงคือความไม่เที่ยงแทน้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปตายแล้วก็เผาไฟทิ้งเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้น่าหนังไม่ได้นอน เนื้อไม่ได้กินดังไม่ได้นั่งกระดูกแขนขอนายึดมาถือทำไมเล่าเล่งภาวนาเข้าตั้งใจลงไปนอกจากจิตที่รู้โยเห็นโยเดี๋ยวนี้นาณะนี้ออกไปลอบตัวลอบใจนะอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมด มาลงยึดถือธรรมะทุกขังเป็นทุกทุกเพราะความยึดถืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามายึดถือทำไมถือแล้วได้อะไรตายแล้วได้อะไรไป เพียนเพ่งโดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติปฏิบัติให้มันต่อเนื่องอยู่ในจิตใจนะตาเห็นลกูกก็ให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยง จะเป็นโูปคนโูปสัตว์โูปวัตถุใดๆก็าตามคำว่าไม่เทีย่ยงคือมันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันก็เป็นไปตามอายุสังขารของธาตุของโลกนั้นนั้นผลที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง พระพุทธองค์ตั้นจึงทรงตัดว่ามันไม่เทีย่ยงเมื่อใครไปหลงมันก็เป็นทุกข์ต้องภาวนาอยู่ทุกลมหายใจประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้ไม่ให้ความประมาทมัวเมาเหล่านี้เข้ามาทับถมได้ จึงมีการบริกรรมภาวานาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้นิ่งนอนใจไม่ให้โลเลโลเลหาไปที่อื่นไม่สงบตั้งมั่นลงไปให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรื่อยไป นั่งที่ไหนก็ภาวนาเืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาในใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือความตั้งใจในใจนะ เนี่ยว่าทำโยเสมอไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจไม่หลงติดโยแค่การหลับการนอนสติความระลึกสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร ในที่อันเดียวนั้นไม่มีหลายที่อย่าได้ตามตัณหาไม่มีจบไมมีสิน้นละทิ้งซึ่งตัณหาทั้งหลายการะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาละทิ้งให้หมดสิน้น ไม่ให้จิตประมาทมัวเมามาอยู่ในตัวในใจเวมองเห็นภัยอันตรายในใจอยู่ตลอดกาลเดยวทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก ด้วยสมาธิปัญญาในจิตใจนั้นอย่าเพียงจะจำภาษาเท่านั้นทำเพียนละกิเลสในจิตใจให้มันหมดใสสะอาดรวมกำลังตั้งนั่นลงไปในจิตใจนั้นวันไหนคืนใดเวลาไหนก็ตาม ให้เป็นเวลาปัจจุบันภาวนาได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ให้ขาดระยะจิตมันต่อเนื่องกันอยู่เดียวว่าเห็นแจ้งด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา ด้วยยานอันวิเศษละกิเลสในจิตทำมันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปหาที่อืน่นจิตดวงโลโยที่ไหนก็ที่นั้นแหละที่ปารกความเพียรที่ภาวนาที่ตัดที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในที่อันเดียว ไม่มีหลายที่ที่จิตที่ใจนั่นสติความระลึกระลึกให้ได้อยู่ทุกเวลาสมาธิจิตตั้งมัน่นให้ตั้งมั่นได้ทุกเวลา ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร ม, มีความรอบรู้อยู่ตลอดกาลจึงจะเพิกถอนเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะในจิตในใจนี่ออกไปได้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจ จนถึงความสามารถอาจาหารไม่กลัวตายตั้งใจทำความเพียรละกิเลสในจิตใจไนดะ้ให้หมดไปสิ้นไปกิเลสไม่หมดไปสิ้นไปตายเสียดีกว่า รวมกำลังขึ้นมาลมเข้าไปลมออกมาลมหายใจมีอยู่ทุกเวลาประมาทเลินเล่อไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วว่าจงภาวนาทําใจให้สงบเงัยบ นึกถึงความตายให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตะถาคตไม่ได้หลงหลืมซึ่งความตายพระพุทธองค์ท่านก็อยู่ได้แค่แปดสิบปีบริบูรณก็เพราะว่ารูปนามกายใจอันนี้ ทลาพยาธิมลนะมันครอบงำอยู่เวลาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจึงไม่ควรประมาทประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิไม่ได้ขาดปัญญาไม่ได้จเจริญอยู่ตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่ มีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่มียานอันวิเศษละกิเลสนี้ให้หมดไปสิ้นไปในดวงจิตดวงใจนั้นทีเดียวรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนที่จิตดวงรู้อยู่นั่นเอง ไม่ในที่ีอื่นใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มีมีอยู่ที่หนังห้มโยเป็นที่สุดรอบภายในกายภายในจิตนี่แหละมีอยู่ที่นี้ดูที่นี่ละที่นี่ปล่อยที่นี่วางที่นี่ ไปละไปถอนที่อื่นได้ที่ไหนรวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นในหัวใจฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไ ป, ปะพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ อีวังก็มีด้วยประกาะชนีสพีติโยวิวัันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรโยจุคิทิคาโยโกภวะอิวาธนาชีริสนิจังบุทธาปัจายิโนจตาโรโอธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังภาลาัง ตัตตาภะคะวะโตอะระหมมโระโ ต, ส, มม ส, อออ ส, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนีน้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 อุปสรรคนั้นมันมาให้เพื่อให้เราสร้างบา ร, รมีอบา ร, รมีเราจะได้แก่กลางเมื่อมันมีอุปสรรคเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคเล่นไปได้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเขาว่ามันต้องต่อสู้ทาให้ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้ ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่ล้วะาัยชนะเมื่อได้ใสัสนะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมา ก, การภาวานานี่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าแล้วดูหนาวมันก็มักจะอ้างว่าหนาวนั่นแหละบอกภาวาน า, นาวไม่ได้หนาวมากถ้าลองไปถึงแล้วดูร้อน ล่อนมากไม่ไหวเอือไหลใครย้อยนั่งไม่ไหวมันก็เอาไปอีกแหละเมื่อถึงเราดูฝน <c oughs> มันก็ติว่าฝนอันนี้พวกสังขารมานพวกพยามาณพยามา น, นั่นคือว่ามันเป็นใหญ่ในโลกใครจะทำดีที่ไหนมันถึงไม่พอใจ หัดคล้องตลอดการแต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายแล้วมันชอบใจตกมือให้เพื่อให้มันผูกมัดลัดเลึงให้มันอยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดไม่ยอมให้ไปสู่นิพพานดังนั้นเราต้องให้ระวังมานกิเลสตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนา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 ในต้องเดือดร้อนวุ่นวายแม้คนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าใจเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็สบายอันสบายใจนั่นแหละสำคัดกว่าสบายกาย <c oughs> อันรูปร่างกายนี้จะให้สบายจริงๆนั้นไม่เคยได้เพราะว่าร่างกายนี้ เป็นหลังแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนะตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวานาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันก็มีอุปสรรคมีทุกข์ขึ้นมาถ้า น, านั่ง น, นานๆหน่อยมันก็ปวดนั่นเป็นนี่มึนซาอะไรต่อมีอะไร มันก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเมืม่อเหนืนะ่อยในการนั่งก็ยืนขึ้น<ม>ยืนทีแรกก็สบายถ้ายืนนานๆเข้าก็ไม่สบายก็เดินเดินทีแรกก็สบายถ้าเดินมากเข้าก็ไม่ไหวอีกเลย<ม>อันนี้คือว่าร่างกายสังขารมันเต็มไปด้วยพระญาติโลกา คอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดเกิดนี้ขึ้นมันก็ปรุงแต่งไปก่อนแล้วว่ามันจะกำเลิกมากจะได้ถึงแก่ความแตกความตายมันว่าไปนวดทั้งๆที่มันเนิดๆได้หน่อยเท่านั้นเหตนั้นมารกิเลสเหล่านี้ท่านมาให้ลู่เล่ห์เหลี่ยมของมัน อย่าไปเชื่อไปลงถ้ามันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังไม่ตายแล้วภาวนาเรื่อยไปพุโทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือรวมจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทำภายในในใจได้เป็นครั้งเป็นคราวทำได้สม่าเสมอ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 สมาธิภาวานาที่เราทำทุกคืนไหว้พระทุกคืนนั่งสมาธิภาวานาทุกคืนทุกคืนไม่ให้ขาดอันนี้มันก็ค่อยดีขึ้นไปโดยลาดับแล้วแหะแต่ว่าจะให้เหมือนความอยากความต้องการของมนุษย์คนเรานั้นย่อมไม่ได้ถ้าเราทำอยู่เสมอๆแล้วมันก็ได้มันไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้ แล้วการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ต้องทำใจเย็นๆทำใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดังความคิดความหมายอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งเรื่อยไปมนะันไม่ได้สงบความปรุงแต่งเสียตั้งใจบริกรรมภาวนาในจิตในใจของเราให้มันได้สม่าเสมอ จิตใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความมุ่งมากตามศนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเลื่อนไปปฏิบัติเลื่อดไปอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าก็ะองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจ คือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่ทีนี้เมื่อมันได้ในขั้นนั่งภาวนาเดินจงกรมพอมันเกิดความเคยกินํานาญขึ้นนั่งธรรมดาทำอะไรอยู่ก็ตามมันก็นึกได้เจริญได้ตั้งใจได้ไปตลอดเวลา ตอนแรกๆ ก, ก็ทําเป็นการเป็นเวลานานเข้าไม่ต้องเลือกแหละที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะคับสมาธิจะยืนจะเดินจะเั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอะไรก็ภาวนาเรื่อยไปพิจารณาอยู่ในใจอันนั้นแหละเดี๋ยวทำได้สม่าเสมอเมื่อทําได้สม่ําเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้จเจริญไปได้ติดต่อ น, นอเนื่องกันไป อันนั้นต้องตั้งอกตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเมื่อผู้ใดมีความตั้งอกตั้งใจแล้วท่านว่าเป็นผู้มีความเพียรพระองค์ทรงตรัสไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุก์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามในจิตใจนั่นแหละ เปลียไปพยายามไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่มันยากกลายเป็นง่ายสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกลายเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเพราะมีความภาคเพลียนพยายามอยู่ในหัวใจมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะว่าในโลกเหล่านี้ มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของคนของสัเมื่อตัวเกิดมาที่ไหนก็ยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นว่าเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของใครตายแล้วก็ถมแผ่นดินฝนที่สุด ก็ทักผมแผ่นดินทั้งคนทั้งจัตทั้งต้นไม้ป่าดงก็เกิดดับอยู่ในโลก้นเก่านี้แหละผู้ภาวนายาได้ประมาเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อภาวนาได้ทุกลมหายใจจิตใจที่ร้อนมันก็หายไปใจเย็นเข้าม า, มาแทนที่ใจดีเข้ามาแทนที่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 อันคาบอิกรามภาวนานั้นอะไรอะไรถ้าหากว่าจเจริญให้มากคิดเจรณาให้มากทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เป็นอุบายทางนั้นแหละที่จะยังให้จิตใจสงบหลับแต่ถ้ามีแต่ความอยากความต้องการแต่เราไม่ทำขาดสติบ่อยขาดสมาธิบ่อยขาดปัญญาหน่อยขาดความอดความทน อะไรอะไรก็เสียไปหมดก็ ต, ตั้งตัวตั้งใจตั้งกายวาจาจิตไม่ได้เห็นนั่นกิเลสมานสังขารละมานขันธมานอย่าให้มันมาลบ ก, กวนใจให้ีแต่ดวงใจแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาใจิตใจมันจะเย็นสบาย มันร้อนเพราะอะไรร้อนด้วยไฟลาคะร้อนด้วย